วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเย็นของวันที่สตุลาห้าศูนย์เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเข้าพรรษามาได้สองเดือนกับเจ็ดวันยังเหลืออีกสามวันพระหรือสามอาทิตย์ก็เป็นวันออกพรรษา พวกเราให้ตระอกตังใจประพฤติปฏิบัติทําให้สม่าเสมอการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้สม่าเสมออย่าทำให้รุ่มรุ่มดอนดอนนะเมื่อเช้าหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับภารกิจที่หลวงพ่อได้ทำรือผ่านมาสองสามวันวันที่หนึ่งประชุมที่ จังหวัดร้อยเอ็ดที่หลวงพ่อพูดว่าท้าววัพูดถึงเรื่องเจดีแล้วกคงจะไม่ได้ชันอาหารเมื่อเช้านี่แล้วอันที่สองวันที่สองมาก็ไปยกช่อฟ้าใบลกาของโบสถ์วัดสังกลีนาขามอำเภอสังคมวันที่สามวันที่สามไปชันที่อำเภอน้ำสงบ้านโยม ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าลงบริเวณใกล้บ้านใครทาบุญเนี่ยหลวงพ่อมาพูดเรื่องเจดีเรื่องเจดีขององค์หลวงตาเรานั่นแหละก็พวกเรากคงอยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันไปถึงไหนอย่างไรแต่ตามไม่จริงก็ปรึกษาปรารถกกันหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่มีข้อยุติแต่เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาได้พร้อมหน้ากันพอสมควรทางเจ้าของเงินคือเท่าแก่สมหมายที่จะสร้างทางแยกบายพาสจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนั้นเป็นทางสี่แยกสี่แยกแล้วห้าแยกของพ่อกจําไม่ดูไม่ชัดเจนแต่เป็นทางแยกใหญ่ทีเดียว เป็นทางบายพาสถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็คงจะโดดเด่นเหมาะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าถูปรหาบุคคลบุคคลที่ควรสร้างสถุปและเจดีย์พระพุทธเจ้าคือพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าธาตุพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าพระธาตุพระระหัสสาวก และอธิธานของพระเจ้าจักรพรรดิควรไปปลูกหรือสร้างเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อคนได้ไปได้ยกมือไหว้ได้กราบได้ไวาสักราระบูชาอันนี้ก็ถ้าดูๆแล้วก็เป็นลักษณะทางสีแพ่งตรงนั้นถ้าว่าสร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็คงจะโดดเด่นเป็นที่ กราบไหว้สักการบูชาผู้ที่ได้พบได้เห็นผู้ที่เคารพนับถือเลื่อมใสนะไอผู้ที่ไม่เคารพนับถือเลื่อมใสก็ยังว่านะไปปลูกไว้หัวนอนตัวเองก็ยังกราบไปที่อื่นเหมือนนันถ้าผู้ที่เคารพนับถือเลื่อมใสแล้ยไปเห็นนก็ได้ยกมือไหว้พระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดพระธาตุพระหัน จากนั้นก็ประทาศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลูกเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จะบรรจุในเจดีที่จะสร้างขึ้นใหม่ที่ปรึกษากันก็เมื่อวันที่หนึ่งก็ได้พร้อมกันทั้งเจ้าของเจ้าศรัทธาใหญ่แล้วก็ผู้รับเหมาอิตาเลียนไทย ว่าจะเอาอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับเหมาจากนั้นก็วิศวกรทางหลวงวิศวกรของบริษัทสถาปนิกทางหลวงสถาปนิกอิตาเลียนไทยสถาปนิกของเราอีกแล้วก็พระสงฆ์ก็มีหลวงพ่อท่านอาจารย์ยุทธมท่านอาจารย์ด็กท่านรัตนาะพระ ไปฟังสี่โรคแต่ตามจริงพระที่ไปฟังเนี่ยก็ไม่ได้ไปออกความคิดเห็นอะไรที่ถ้าบเมื่อไปชุมกันเจดี JD ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งองค์จะไม่มีพระไปนั่งฟังเสลยก็กรกลยอยู่เท้าแก่สมหมายก่อนที่มลแล้วมลอีกยังไงขอให้ท่านอาจารย์มานั่งฟังด้วยหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วเองเราก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเราก็ถือว่าเป็น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 ก็เป็นนั้นว่าคงจะตกลงเริ่มละเริ่มให้ออกแบบแปลนให้เพิ่มเติมเข้าอีกให้ชัดเจนนะจากนั้นก็คงจะลงมือทําแต่ว่าการทํำนี่ก่อนกะกะกันไว้ประมาณ9้าเดือนบางงั้นนะที่จะเสร็จได้จะบอกบริษัททํำนะไม่ใช่ไม่ใช่ทําแบบธรรมดาบางงันแบบทําหามรุ่งหามคําเลยก็คงจะเสร็จได้นะอันนี้ก็คือ เจดีองค์หลวงตาที่หลวงพ่อเขาได้ไปร่วมประชุมเมื่อวันที่หนึ่งตุลาห้าสูตยนะแต่วันที่สองมาก็ได้ไปยกช่อฟ้าที่วัดสังกะรีนาขามที่หลวงพ่อได้พูดมีเช้านี่อันที่สามก็คือไปฉันที่น้ำโสมน้ำโสมน้่นก็สิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะฟ้าผ่าลงแล้วก็ เข้าไปในบ้านก็ทำให้เจ้าของบ้านไม่สบายใจก็เลยนิมนต์ครูบาอาจารย์จากวัดของเราไปฉันสวดมนต์แล้ก็ฉันเช้าหลวงพ่อก็ได้ปารพขึ้นมาในงานในงานฉันเช้าเสร็จแล้วหลงพ่อก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอุปัติเหตุเราจบปล่อยปาละเลยก็ไม่ได้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 ให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติส่วนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดแล้วไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารแล้วอันนี้ก็คือพระสงฆ์สาวกเป็นผู้พักมีพระคุณอย่างเดียวไม่มีโทษเพราะฉะนั้นพวกเราประสบ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 ใช่ยังไม่ใช่สาระอันกเกษมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเทพชั้นใดก็ตามเป็นพรหมชั้นใดก็ตามก็พร้อมที่จะลงมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสา ร, พ, ราพวกเราท่านทั้งหลายหรือพระอาาสาวกทั้งหลายหรือพระสาวกทั้งหลาย ที่ขึ้นไปอยู่สั้นพรมกับลงมามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากต่อมากอย่างมีในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เปรียบเทียบนางสุกร์คือหมูเหมือนเดิหมูโตเมียเหมืนันท่านท่านก็ได้หมูตัวนั้นะตะกรเป็นไก่ไก่ป่าหากินอยู่บริเวณรอบศาลารอบกุฏิของพระพระสง์ท่านก่อสาธยายมน์ของท่านท่องสวดมนของท่า น, อ, น, น, อ, านอย่าง พกทวนปฏิโมกยางเนี่ยหรือท่องสวดมนรรมดต์ธรรมจั ก, กรอดีตอาณาธรรมจักรกเปรวัฒนสูตรอย่างเนี้ยที่ท่านยกจ้องท่องบนาสาธยายพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยแต่แม่ไก่มันก็พาลูกหาอาหารเน่ยมันก็ฟังแต่มันคงจะฟังไม่รู้เรื่องมันก็คงเสียงเพาะจริงๆมันก็คงจะเป็นอุปนิสัยอย่างนั้นอ่ะมันก็เกิดความเคารพนับถือเริ่มใสไอ้พอตายไปแล้วมันไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดเป็น เทวดาเนะีพอออกจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินอ่ยเมืองพาราณสีพอเป็นลูกสาวพระเจ้าเพนดินเทน่านี้นางก็เข้าไปในถ่ายทุกในห้องน้ําสมัยนั้นก็คงจะไม่มีคงจะไม่ใช่ส้วมอย่างทุกวันนี่ยังคงจะไม่ใช่ส้วมซึมอย่างทุกวันนี่วงั้นแต่คงจะเป็นส้วมปล่อยขึ้นไปก็คงจะถ่ายลงไป ก็ไปเห็นตัวหนอนกินอุจจาระเลยยัวเยะไปหมดเลยแนางก็เลยออุจจาระที่ออกมาจากร่างกายของเราเราก็นอนเฝ้าทั้งวันทั้งคืนแต่พอมันหลุดออกมาในหน้าเกลียดเหลือเกินเห็นพวกหนอนอะไรกินยัวเยะไปหมดโอ้ขยะขยงใจของนางก็เข้าสู่ความสงบเลนใจนิ่งเลยเห็นสุภาฏิกุลอย่างรึกซึ้งใน จ, ใจิตใจเหมือนกับเราเห็นความ ตายอย่างรึกซึงในใจอย่างนั้นน่ะใจของนางไม่กระเพื่อมไปที่ไหนเลยอ่างั้นแตใจนิ่งอยู่ตลอดเวลาในชาตินั้นก็คงไม่ได้แต่งงานกันั้อต่อมาก็คงจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นางก็ทรงทาจิตให้เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นนางก็เลยตายก็คงจะตายในสมาธิอย่างวายนะจิตเข้าสู่ความสงบจากนั้นนางก็ไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นชั้นพรหม พอออกบทอริสง์ของพล่อมมาเกิดเป็นหมูนีน่แหละมาเกิดเป็นหมูที่กรุงราชจะคือพระพุทธเจ้ากับพระอา น, นุ์เดินมาเดินออกบินธบาตพระอา น, นุ์เป็นปัจชาสมณะคือเดินตามหลังพระพุทธเจ้าถือบาทพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เดินก่อนทันี้พระพุทธองค์เห็นหมูตัว น, นั้น พ, พุทธองค์ก็เห็นแล้วก็ยิ้ม เพราะว่าชีวิตของเขากระโดกกระเดกแล้วเกิดมาเหมือนกันเถอะเป็นไก่แล้วไปเป็นเทวดาเป็นมัดเทวดาแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินออกจากลูกพระเจ้าแผ่ดินมาเกิดเป็นหมูน่ะแปลว่าชีวิตกระโดกกระเดกมากเหมือนกันเะพระพุทธองค์ก็แย้มพระโอษฐ์แย้มพระโอษฐ์คือเยิม้มเหมือนกนเถอะโอสัพสัตว์ตทั้งหลายเนาะทาไมการเป็นอยู่ระหว่าการวิถีชีวิตทําไมตึงเป็นขนาดนี้หนา ะ, นะ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 แล้วมาเป็นผมทามันมาเป็นหมูนะแต่จุดนี้ในตำราในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้กล่าวเอาไว้ก็คงจะเป็นกล้ำชั่วของนางหมูนั่นแหละสรุปแล้วจึงได้มาเกิดเป็นหมูว่างั้นเถอะนี่แหละชีวิตของพวกเราเนะี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันกระโดกกระเดกอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่ง อย่าไปยึดอย่างอื่นไปที่พึ่งเป็นพรมแล้วก็ลงมาเป็นหมูได้เพราะเป็นพรมยังมีกิเลสอยู่เป็นเรวดาก็มีกิเลสอยู่พร้อมที่จะตกต่าได้เพราะฉนั้นพวกเรายึดพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นนิยานิกรรมเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นนิยานิกธรรมนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจาก ทุกในวัตะสงสารได้โดยไม่ต้องสงสัยฮะพูดอย่างนั้นได้เลยจากนั้นพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือแต่หลวงปู่เสาวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่พวกเรากราบไหว้สักการะบูชาล้วนแล้วแต่อัธิธาติของท่านหรือพระาธาตุของท่านเป็นเม็ดกลมแสดงว่าท่านได้ไม่ได้มาแสดงหรอกเป็นนั้นว่า พระเถระมหาเถระที่พวกเราให้ความเคารพนับถือนั้นล้วนจะเป็นพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดทุกองค์ที่เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แปลว่าไม่ผิดพลาดก็แล้วกันนะเพราะนั้นพวกเราไปนัสถานที่ใด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 เห็นจะถูกพระเจดีก็ดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพวกเราให้ยกมือไหว้นอบน้อมต่อพระคุณของท่านที่พวกเราไม่ล่มหลงมัวเมากับโรกวัตะสงสารที่พวกเราระลึกถึงคุณงามความดีที่พวกเราสั่งสมคุณงามความดีทุกวันนี้ก็โดยอำนาจพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 อ่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากถ้าพวกเราคิดในแง่โชคดีแต่เว้นเสียแต่ว่าเป็นพวกเราเป็นจิตใจเป็นบาปอากุศลมากๆ ม, มองมาเห็นคุณงามความดีอะไรใครทั้งหมดอันนั้นมันก็ช่วยไม่ได้จิตใจมืดบอดมันก็มีจิตใจที่มีกิเลสราคะโทสะโมหะปิดบังจิตใจก็มีเอออันนั้นก็ แต่ถึงอย่างไงก็ตามพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราก็ควรจะแวกไหวควรจะทําความเข้าใจควรจะศึกษาในรายละเอียดควรจะศึกษาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ปิดหูปิดตาอย่างเดียวเราก็ควรจะศึกษาทําไมเพราะเหตุไรจึงเป็นอย่างนี้ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทําไมแนะนําอย่างนี้ทําไมสอนอย่างนี้จากนั้นก็ลงมือประพฤติธปฏิบัติในเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติแล้ว เอาชนะใจของตนเองได้แล้วนั่นละ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์จุดพ้นแล้วที่นี่แต่ว่าการที่จะเป็นพระบวชในพระพุทธศาสนากด็ดีที่หลวงพ่อได้ศึกษาบางท่านมีนิสัยอุปนิสัยมรรคผลนิพพานแต่คิดออกนอกลูกนอกทางก็มีมากต่อมากพระในครั้งพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราที่อยู่สุดท้ายปลายแดน จะให้เดินตามทํานองคลองทำเสเลยหลวงพ่อกับมองไม่เห็นเหมือนกันนั่นแนหะพอเราอยู่สุดท้ายปลายแดนขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าน่าจะประพฤติปฏิบัติตรงแนวต่อทําคําสั่งสอนแต่กิเลสตัวนี้มันไม่ว่ายุคใดสมัยไหนมันออกนอกลูก่นอกทางเป๊ซ้ายเปขวาเป๊หน้าเปหลังเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นกล้ำเก่าด้วยที่มาเกื้อกูลหนุน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 เนี่ยมันผิดแล้วอยากให้มันผิดซ้ำซากถ้าผิดซ้ำซากนะัน้นว่าภาชนโมฆะภิสุแต่ถ้าว่าเราเ อ, อมันผิดแล้วเราพยายามตั้งต้นใหม่ทำรีใหม่ปรับปรุงแก้ไขใหม่นั่นแหละจะเป็นปาดเิเป็นปาฏิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งะน่าศึกษาเหมือนกันนะหลวงพ่อได้ศึกษาได้อ่านในพระไตรปิฎกนะ พระองค์นั้นเข้ามาบวชแล้วปฏิบัติธรรมแล้วท่านอยากจะสึกอพอเข้ามาแล้วอยากจะสึกอย่างมากท่านก็มาคิดทบทวนดูว่าเอเมื่อเราปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าเราสึกไปเนี่ยชีวิตฆราวาสเนี่ยไม่สมควรที่จะมันอยู่กับเราเราไม่สมควรที่จะเป็นชีวิตของฆรวาสเพราะฆราวาสเนี่ก็รู้อยู่แล้วมันมีภาระมากมาย เราจะไม่ไปมุ่งหวังอะไรมากมายกับเมื่อเป็นฆราวาสเราเป็นพระเนี่ยตายกับผ้าเหลืองจะดีกว่าเพราะจังไงก็ตายอยู่แล้วเป็นฆราวาสก็ตายอยู่แล้วเมื่อเป็นพระแล้วก็ตายอยู่แล้วเราตายด้วยการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีจะไม่ดีกว่าเหรอทําไมเราจะจะไปหาขึ้นอยากจะศึกวะเนี่ยแต่นี่แหละแต่พอคิดขึ้นมาแล้วก็ยากจะศึกอยู่อย่งังไงละ่ะวันหนึ่งอท่านก็ไปแต่เช้า ไปเห็นพระอไปเห็นพระกลุ่มหนึ่งเขาจับงูวงั้นเถอะคงจะเป็นงูเห่ามั้งในโร ง, งไฟโรงครัวงั้นเถอะโรงไฟมันครับงูมันอมชอบอยู่ที่อุ่นนะอไปเห็นหูเขาก็จับพระเขาก็จับงูได้พอจับเสร็จแล้วเขาก็ใส่ในหม้อแล้วก็มีฝาปิดพระ อ, องค์นีไปถามถามว่าอันนั้นเป็นหม้ออะไรครับ พวกนั้นก็บอกหม้องงูอฉันเอาไปไหนเอาไปทิ้งนอกวัด่ะเอาไปปล่อยนอกวัดถ้ามามาผมจะไปปล่อยเองเหมงอนนเนี่ยพระองค์อยากจะศึกเนี่ยเหมือนกันนะผมจะไปปล่อยเองคือในใจบอกว่าเอาเถอะข้าจะจะไม่ยอมสึกข้าจะตายให้งูกัดเลยดีกว่าขนาดนั้นเหมือนกันนะข้าจะตายแบบอยู่ในส ม, สมณเพศเนี่ยข้าจะไม่ตายแบบเป็นคารวะเต ด, ดขาด ถ้าจะตายให้งูกัดจะน่าจะถืองูตัวนั้นไปพอไปออกนอกวัดอถ้าที่รับตาคนสักหน่อยก็เปิดฝาขึ้นมาพอเปิดฝาขึ้นมาเอามือล้วงในหม้อนะเนี่ยเอามือจกในหม้องูก็ไม่กัดมันทําไมไม่กัดบ้าถ้าได้จับหองงูขึ้นมาอ้าปากเอาใส่ขาตัวเองให้ใส่แข้งเอะมันกัดมันก็ไม่กัดถ้าได้อ้าปากขึ้นมาเอานิ้วมือสอดเข้าปากมันมันก็ไม่กัด งูตัวนั้น อ, อันนี้มันงูเลือนนะวะอย่างนั้นถ้าจะว่ากันงูเขียวตุกแกนะวะงูอันลักษณะอย่างนั้นน่กะก็เลยโยนทิ้งเข้าป่าไปงูตัวนั้นก็เลยไปไปกับพระก็เลยถามว่าท่านเอาไปปล่อยงูที่ไหนโอ้งูตัวนั้นมันงูไม่มีพิษหรอกเอาทําไมอ่ะผมเปิดแล้วผมเอามือร่วงเข้าไปไม่เห็นมันกัดเลยเออแย่เข้าป่ามันก็ไม่เห็นมันกัดพระนั้นโอ้ยงูตัวนั้นมันแผลแม่เบีย้ย พวกเราจับมันยากยิ่งกว่าอะไรมันขู่ฟ่อฟออีต่างหากกว่าจะจับมันได้ใส่หม้อนไม่ใช่ธรรมดาทําไมพระองค์นี่มันว่างูงูเลือนงูไม่มีพิษเอ๊ะทําไมนะพระเรานั้นก็สงสัยมันกันเอ้ยผมจับดูแล้วเอามือแย่เขาปากมันก็ไม่เห็นมันกัดนะมันเงีโหขนาดนั้นเหรอใช่เอามาจับเสษขาผมให้มันกัดมันก็ไม่กัดแสดงว่างูไม่มีพิษพวกพระกันเลยสงสัยไง สงสัยอยู่ในใจพอต่อมาอพระเอานนี้ก็ยังคิดอยากจะศึกอยู่เหมือนกันเางือนกันแต่ถ้าเราจะศึกเป็นคารวาสเนี่ยเราตายดีกว่าตายในผ้าเหลืองดีกว่าวันนั้นเป็นวันโป่งผมเหมือนกันแหละวันโกนผมเนี่ยเขาก็เอามีดโกนมาสามเล่มคือมีช่างกันบกเน่ยคือสมัยนัย้ก็คงจะไม่มีพระโป่งผมกันเองเพราะมีดโกนมันหายากก่ะมังก็เลยเอาชาวบ้านที่เป็น ช่างโกนผมแหละช่างปองผมแนหะเขาเอามีดโกนมาคนมาปองผมพระเหมือนันนะี่ยเขาก็วางมีดโกนไว้สามเล่มก็ทิ้งไว้สองเล่มเล่มหนึ่งเขาก็ปองผมพระจากนั้นก็องคนี้ก็เลยหยิบมีดโกนไปพอหยิบมีดโกนไปก็ไปวางไว้กิ่งไม้นี่เขาจะเอามีดโกนปาดคอตัวเองนะ่ยเออให้ให้ตายเหมือนกันเถอะเพราะมันอยากจะสึกมากทําไมมันคิดอยากจะสึกเหลือกเกิน ตายกับผ้าเหลืองจะไม่ดีกว่าเหรือจะไปตายเป็นฆราวาสทรรําไมฮก็เลยถือมีดโกนไปพอไปกก่อนที่จะตายก็ให้ใจบริสุทธิ์ผุดผ่องซะก่อนว่างั้นเถอะลึกตะลึกถึงศีลซะก่อนพรก่อนที่จะตายให้ราลึกถึงศีลของตัวเองก่อนพอนี่ก็ ล, ลึกถึงศีลของตัวเองซอองศีลของเราปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นจิตใจศีลของเราเนี่ยไม่เคยล่วงเกินในพระวินัยข้อไหน ศีลของเราบริสุทธิ์ไม่ได้ล่วงเกินที่ขาบทเล็กทั้งที่ขาบดใหญ่ใจของเรารักษาศีลบริสุทธิ์มาโดยสม่ำเสมอตลอดพอระลึกถึงศีลเท่านั้นเองจิตใจมีปีติขึ้นมาทีไหนความเอิบอิ่มในจิตในใจขึ้นมาอย่างล้นพ้นจากท่านท่านก็กำหนดกําหนดดูปีติของท่า น, นคือความอิ่มใจพอลดลงมาท่านก็เดินทางวิปัสสนาทีไนีน พิจารณาถึงใตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาถึงร่างกายสังขารห่าเป็นของไม่จิรังถาวรเป็นของที่ไม่เที่ยงพิจารณาถึงผู้รู้ใจของท่านเองท่านก็ปล่อยวางตัดกิเลส ข, ขาดเลยพอตัดกิเลสในขณะนั้นพอตัดกิเลส ข, ขาดแล้วท่านก็เลยเป็นพระรหันต์กระบัดเป็นพระรหันต์กำลังเอามีดโกนจอคอตัวเองว่างั้นไ เป็นพระอรหันในจุดนั้นพอเป็นพระอรหันเสร็จแล้วท่านก็เอานามีดโกนมามามอบให้แก่เขาเอา้าท่านไปที่ไหนอผมว่าผมจะปาดคอตัวเองให้ตายเอาทำไมไม่หมูม่ทานหมอก็เลยถามเอาทำไมไม่ไปปาดแล้วมานเอ้ยผมเนี่ยเราได้ผมได้ใช้ยานรัตนสเนี่ยปาดคอกิเลสแล้วงั้นกิเลสขาดออกจากใจแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นจบแล้วงั้น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 ถ้าได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วท่านได้เป็นพระหรหันต์แล้วพระเลยสงสัยว่าเอ๊ะทําไมนิสัยมักผลนิพพานถึงพระหรหันต์ขนาดนั้นทําไมท่านจึงคิดอยากจะตายอย่างนั้นเป็นพ่อเหตุไรพระพุทธองค์บอกว่ากลัมเก่ากลัมเก่าของท่านพระสงค์เลยถามว่ามักผลนิพพานนิ่เร็วขนาดหรือพระเจ้าค่ะ เพียงขนาจิต ท, ที่ว่าคิดอยากจะตัดคอตัวเองก็ได้สําเร็จเลี้ยวขนาดในผู้องค์โบสถ์การที่จะตัดสรูธรรมหรือบรรลุธรรมนั้นเพียงแต่ยกขาขึ้นมาจะเหยียบพื้นเท่านั้นแหละก็ได้สําเร็จเป็นพระาารหัสแล้วการที่จะตัดสรูธรรมเนยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยาวนานอะไรเลยเพียงแต่ยกขาก้าวขึ้นมายังไม่เหยียบถึงดินถ้าพิจารณาเห็นธรรมแล้วตัดกิเลสได้ในขณะนั้นเอง อย่าพูดอย่างนั้นเลยท่านว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วผู้ตั้งใจภาวนาแล้วการเป็นอยู่ของเขาเป็นเพียงช่กชั่วขณะหนึ่งก็ประเสริฐกว่าผู้ขี้เกียจนอนใจเป็นอยู่ตั้งร้อยปีอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนั้นเลยเอย่างนั้นคือ พวกเราเป็นอยู weed, we so involved, ่ด้วยความไม่ประมาทเพียงชั่วขณะก็ยังดีกว่าผู้ที่เป็นอยู่ตั้งร้อยปีอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความไม่คิดไม่อ่านอยู่ด้วยความไม่สนใจอะไรเลยอยู่แบบโง่โงเช่อเชื่อเชือเชือันงั้นเอแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยจิตด้วยปัญญาที่ท่านจะได้ตัดสรุ้ธรรมหรือว่าได้บรรลุธรรมเป็นอยู่ชั่วขณะหนึ่งยังประเสริฐกว่าพระสงฆ์ก็หมดความสงสัย พระสงฆ์ก็เลยถามว่าอที่ทําไมมีกลั่มอะไรพระพุทธเจ้าค่ะเขาจึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายทั้งที่มรรคผลนิพพานก็มีอยู่พระพุทธองค์บอกว่าสมัยอดีตอดีตชาติของเขาสมัยครั้างพระพุทธเจ้ากัจจปะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนที่พร ะ, พระโคตมะพระพุทธเจ้าของเราจะมาตรัสถนี่อพระพุทธเจ้ากัจจปะกัจจโปสิดิสัมปันโนมาตรัสรู้ก่อน พระพิจุองค์นี้บวชในศาสนาของพระเทเจ้าก็จะปะอายุยืนถึงสองหมื่นปีแล้วก็มีเพื่อนสหธรรมิกอยู่ด้วยกันสององค์แต่องค์หนึ่งเขาธนุถนอมบริขารเสร็จแล้วก็เลยบอกท่าว่าผมศึกนะผมก็คงจะมอบบริขารให้แก่ท่านบริขารของผม แต่องนี้ก็โลภในบริขารเหมือนกันองที่องคองคเนี้ยองค์ที่บอกมูจะกัดนี่ในชาตินั้นเหมือนกันโลภในบริขารองคนั้นก็เลยถ้าองค์นี้ตายไปเนะี่ยเราต้องในบริขารองค์นี้หรือว่าองค์เขาฉึกไปเนะี่ยเขาเขาจะต้องเอาบริขารให้แก่เราก็เลยบอกวิธีการเอออยู่ทําไมควรจะไปอยู่มีขอบมีควดีกว่าวะเอียคือบัลลา ย, าย บรรยายให้เขาสึกออกไปเป็นฆราวาสเพื่อตัวเองจะได้บริขารนะองค์นี้บรรยายการเป็นฆราวาสของเขาแต่องค์นั้นกลับไม่สึกบางานเถอะก็เห็นว่าเนี่ยองค์นี้ออบรรยายมานี่เพราะว่าเราจะมอบบริขารให้แก่เขาเพราะฉะนั้นเขาจึงแนะนําให้ข้าไปข้าเราสึกเอาเถอะเราจะไม่สึกนะองคนั้นก็เลยปฏิบัติธรรมไปแต่องค์นี้นะ่ะท่นี่พอแนะนําเขา เขาไม่ศึกตัวเองนะ่ะเป็นบาปกรรมเลยทีานี่เพราะฉะนั้นการที่แนะนําให้คนอื่นศึกนะั้ไม่เป็นผลดีนะเป็นบาปกรรมอย่างต่อเนื่องนะเอามันต้องส่งส่งเสริมคุณงามความดีคนไม่ใช่ว่าดึงขาเข้าลงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ทีนี้กับพระ อ, องค์นั้นก็เลยเป็นพระจนสองหมื่นปีฮะแต่ท่านก็ตายจากชาตินั้นมาแต่ท่านจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ได้กล่าวพอมาเกิดชาตินี้มาเป็นพระภิกษุ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยบาปกรรมตัวนั้นนะที่แนะนําให้คนอื่นศึกนั่นนะที่จะอยากจะได้บริขารเขานะมาพบนิชาตินปฏิบัติมาตลอดใจร้อนไม่ต้อยากศึกอยู่ตลอดเวล า, างหมือนกัเถออยากจะศึกอยู่ตลอดไปล่ำเวลาพราบาปกรรมของตัวเองได้ได้แนะนําให้พระภิกษุในศาสนาพระพุทธเจ้ากระจบะได้ศึกเหมือนกัน น, กนั่นแนหะละอันนี้นแหละบาปกรรมอันนั้นแหะตามสนองมา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 ด้วยความแน่ใจถ้าพวกเรามีความสนใจประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นะมรรคผลนิพพานรอคอยพวกเราอยู่ไม่ไปที่ไหนเว้นเสียแต่พวกเราก่อนแล้วนินกินแลนอนไม่เชื่ออีกต่างหากแถมแถมยังประมาทอีกต่างหากแล้วเป็นยังไงกระหารหลังให้แกพระธรรมแล้วพระธรรมจะมาช่วยเราได้ยังไงพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม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 มีศีลธรรมอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะประพฤติปฏิบัติกัพร้อมกันให้ระลึกไว้อยู่เสมอเมื่อเราเป็นพระอย่างวันนี้อะอากาศเย็นสบายอย่างนี้เราจะนั่งภาวนาหรือเราจะเดินจงกรมเอาตลอดทั้งคืนได้ไหมทดลองแลยสินั่งภาวนาแลยสินั่งให้นานเท่าที่จะนานได้เดินจงกรมเท่าที่จะเดินได้ถ้าเดินไม่ได้ฝนตกเอานั่ง แม่นางก็ยืนเอาเนสสิดูสิเป็นยังไงนี่แหละให้ฝึกขัดการปฏิบรรัติทำอย่าไปทำแบบ เ, เคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นกินยังไงนอนอย่างนั้นควรจะมีที่หนักที่เบาควรจะบางบางครั้งก็ต้องหนักมือบ้างเมื่อหนักมือละเออก็เบาบ้างแล้วก็หนักบ้างเบาบ้างาม่ตตัต้องอย่างนั้นเป็นพระน้อยผหนุ่มในการทาความภาคเพียร ไม่ใช่หรอกกินแล้วนอนกินแลนอนไปอย่างเกา่าไม่มีอะไรกระตือหรือร้นเเลยจากนั้นก็มาตัหนิอะไรต์นี่ปฏิบัติมาเท่านั้นเท่านี้ปีก็ไม่เห็นมันสงบไม่เห็นมีอะไรอย่างเนี้ยตัหนิพระธรรมเพราะเหตุใดเพราะตัวเองทำไม่ถึงออทำมาของพระพุทธเจ้าบางครั้งมันเหลือตายคนนะ่ะเออยู่ฟากตายว่างั้นเถอะพวกเราเคยเจอไม่ฟากตายเพราะนั้นให้ฟังฟังเอาไว้นะ่ะ เนี่ยอย่างพระที่ผมพูดนั่นอยู่ฝากตายจริงๆเหมือนกันะเออะถ้าว่าจดเข้าไปแล้วงูกัดเข้าไปนั่นแหละตายแน่แต่พวกเราอย่าไปเรียนแบบอย่างนั้นนะไม่ได้นะเอถ้าว่าจิตใจทําให้พ้นทุกเป็นบาปอีกต่างหากเลยเป็นการฆ่าตัวเองเป็นบาปเป็นกล่อมอันนี้ท่านยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้ศึกษาท่านั้นเองว่าการกระทําอย่างนั้นเป็นบาปกล่อมเก่าของตัวเองในอดีตชาติพระองค์นั้นจึงคิดอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละ กรมาฐานเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ผมก็เคยพูดให้ฟังมาม า, มากต่อมากสัมสักกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสตินี่แหละอันนี้แหละคือจุดกุญแจดอกสำคัญที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานมีสติสติสัมปชัญญะนี่แหละดอกนี่แหละสำคัญถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองแล้วแล้วพิจารณา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 ศึกษาในภาคปฏิบัติแล้วรสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ไปที่ไหนล่ะอย่างที่ผมเคยพูดนั่นะถึงจะเราทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนทำกิจการงานเมืองอะไรก็ตามเพื่อหาเงินหาเงินได้แล้วพระเพื่ออะไรเพื่อไปซื้อข้าวไปซื้ออาหารมายัดเข้าปากตัวเองเพื่อบํารุงร่างกายให้อยู่ได้นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นะการรักษาให้ทานรักษาศีลภาวนา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 ความบริสุทธิ์หลุดพ้นะนิพานไม่ต้องหาที่ไหนมันอยู่ในใจของพวกเราเนี่แหละไม่ไปทางอื่นไม่อยู่ที่อื่นเนีย่ยมักคผลนิพานไม่อยู่ที่อื่นอย่าไปหาที่อื่นไปว่าหาที่อื่นไปว่าคว้ า, น, วานู้นคว้านี่หาเกาไม่ถูกที่ขันเหมือนกัเอยที่ขันจริงๆของกิเลสคือคือใจตัวนึกคิดนี่แหละมองตัวนี้พยายามดูตัวนี้ให้สามทับตัวนี้ ตัวนี้แหละเป็นอนิจจังตัวนี้แหละเป็นทุกขังตัวนี้แหละเป็นอนัตตาใจตัวนี้แหละเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตวนของเรามันมองมบอกฟัตคุมดีคุ้มไรเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวกดมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาในจิตในใจถ้าเรามีสติมีสมาธิหมหาสติหมหาปัญญาจา่อเข้าจุดนี้แล้วนั่นแหละเราจะตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาด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 พ่อหรือของบิดาพวกลูกๆทางหลายจะห่างเหินไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญก็คงจะไม่ถูกต้องแต่จะไปคุกคลีเจาเกินไปัางทีเรามีตาบาตแผ่ขอก็ควรจ่มไปก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็ปล่อยปลาแล้วเลยจะไม่ให้ความสนใจเเลยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือความเหมาะสมเป็นยังไง พอเหมาะพอสมพอดิพอดีพอสวยพองามถูกก็โลกถูกกระทำทาก็ถูกโลกก็ถูกเป็นยังไงอันนี้กับให้ความเหมาะสมนั่นแหละแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับให้ยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณวาเป็นที่พึ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ อย่าไปเชื่ออย่างอื่นเอ่อพระหุ่งเวสารนางยันติปะปะตาเนวณาเนจ่าปะปะตาก็คือภูเขาเอ่อภูเขาป่าไม้อย่าไปยึดว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเอ่อถ้าจะยึดจะถูกขามล้ำวัเทพทั้งหลายขนาดพรหมจะ ม, มาเกิดเป็นหมูได้เออพราะยังมีกิเลสอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ข้อศัพท์ประศัพท์ทั้งหลายเนี่ยเวียนไหวไตเกิดเหมือนกับมดไตขอบโอ่งอย่างนั้นอ่ะขอบกระมังอย่างนั้นอ่ะเวียนอยู่อย่างนั้นว่าตัวเองเดินทั้งวันแต่ที่แท้มันเดินวนอยู่งั้นอันนี้ก็เหมือนกันการเวียนไหวไตายเกิดของพวกเราก็เหมือนกันนะเกิดมาพบนิชาตหน้าต่อไปกัว่าเกิดพบใหม่ชาติใหม่ที่แท้แล้วก็เกิดมาในโลกวัตะสงสารลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ําๆอยู่เนี้ยนี่แหละ พระพุทธเจ้าพระหานสาวกท่านรู้ท่านออกนอกแล้ว่งั้นแต่กระโดดออกไปจนโลกไม่ดึงดูดไม่สามารถที่จะดึงดึงดูดท่านอไปสู่อวกาศอาวกาศของจิตอวกาศของธรรมโลกไม่ดึงดูดท่านเชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่ม า, มาวกวนเวียนในวัฏฏะสงสารเป็นอนันตการน น, นี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่นอกนั้นลงมาแล้วยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ เพราะนั้นพวกเราให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ใ, ให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาอย่างพระเทยระที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนั่นน่ะท่านมีกล้ำที่ได้พูดว่าคนเรานเนี่ยจะ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 ลวงก็ปากงูกับงูไม่กัดทําไมงูไม่กัดเนี่ยพราะพระพดจเดชจ้าท่านบอกว่าพ่อ ง, งูตอนนั้นเคยเป็นลูกน้องมาก่อนนเคยเป็นลูกน้องมาก่อนในอัตภาพที่สามอัตภาพที่สามก็คือนี่แหละชาติที่เป็นชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สามอัตภาพที่สามก็ครเมื่อาสามชาติให้หลังนะงูตอนนี้นเคยเป็นลูกน้องเหมือนกันเป็นลูกน้อง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 แต่นี่มันเป็นลูกน้องในอดีตชาติมันก็เลยไม่กล้ากัดเจ้านายของมันนี่แหละอันนี้ก็คือที่ท่านได้กระทากรรมอันหนึ่งก็ท่านโลภในบริขารที่ท่านอยากจะศึกที่ท่านได้ตัดสรุได้บรรลุธรรมเพราะท่านได้บำเพ็ญมาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากจัจจปะถึงสองหมื่นปีเทพเป็นพระปฏิบัติบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่งั้น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 หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรกับการแสดงขอยุติการพูดเพียงเท่านี้เอาตีจงจะอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังหนไหม this e v e n i หลวงพ่อ first talk about the the past three days the event he had been participate And uh, then, then after that, like, he talk about three point. Um, I think I will emph emphasize on the third point because there's a uh, a lot of uh, a different aspect of a talk. Um, I briefly talk talk about the first. The first he said, uh, "We should be we should pay respect to the JDO, the the relics of a Buddha, and." Uh, That's because uh, by doing so, we will think about uh, we how much we get from the the Buddha's teaching, and uh, how lucky we are to born in the Buddha's time, and we have the opportunity to practice by paying respect to the Jedy, to to the relics, to the to all the Arahant in the past. It's a way of uh, uh, remember how lucky we are and how. Uh, we get the benefit from the Buddha teaching, and the second point uh, he talked about that uh, uh, we should always take refuge in the Buddha, not in other, n o in other object like the mountain, the river, the the tree. Uh, the reason is that Buddha is the only one who is purity in his uh, his mind. All the other beings, they're still cycling in the in the, uh, in the cycle of birth and death. Uh, he talk about the example of one um, one uh, chicken. He uh, how one being b e g chicken, and then because some uh, he listen to the monk's c h a i n he become uh, reborn in the paradise, and then he um, then. Um, Anyway, he go go go in the life cycle, he become a p r o m and become then become a pig. That means that if as long as your mind is not pure, is you know, not purified, you will still be re, you will still be um uh, migrate in the cycle of birth and death. Only Buddha is the one we should take take refuge in. And the last one I think is uh, I will spend more time on that is uh, that. Don't p a l talk about even we are monks, we are a i m e d at the release of the suffering from suffering, but still we have old karma from the past. That means that we all, all the monks, all a t l l the people, they have different karma. Even we are aiming at the good, doing good, we are aiming at the practice, but because the old karma, sometimes we will make mistake, and. Uh, Our attitude toward our t o d our mistake is uh, that we should try to correct our mistake and don't try don't let the m s don't let us to make mistake too often and try to uh, uh keep practice try to uh, avoid those mistake and that's a that's a right attitude to face our mistake we make and uh, we should not uh, because uh. We should be think about. We a l oh, although we are monks, we are aiming at the good. We try to practice, but still, because of old karma, we don't know what what we what we did in the past. We will make mistake, but we try not to make mistake too often, and we try our best to correct them. He talk about uh, one example. There's a, uh, there's a monk. He. After he ordained, he always think about h uh, disrobe, and he feels so painful. He don't want to stay in monkhood, and uh, but he still h uh, e think about, he keep thinking that if I disrobe, I will become a lay person. Then I won't have i won't have op opportunity to continue to make merit to t uh, do, do good, uh, do good. And so, if I disrobe, I would rather die. By this thought, he tried to uh, kill himself. And one, one, the first thing he did is he, uh, he volunteered to take a, a cobra for a person to release outside a monastery or outside somewhere, and he t r i e d to use this opportunity to uh, let the cobra to bite him. But very strange, the cobra just didn't bite him. He tried to use his hand, his leg, and tried to let the cobra to bite his leg, his, his arm. But still, the the snake did not bite him. And then it, this uh, this plan of suicide didn't work. And then there's another opportunity that uh, happened as a day for uh, shaving shaving head and. Uh, He uh, took the he took the knife or the shaming blade uh, from the barber, and uh, he went out to a private place and he tried to kill him using the using the knife using the shaming blade. But he think that before I die. I would rather think about the good I have done in the past before I die, then I will be bored. I will be d i e in a, uh, in a better way. So he think about he reflect on the virtue he have been observing the precept he have been observing. He think about the pure uh, how he uh, maintain the pre the precept. At least he did something good in the past as a monk. By thinking about the good thing he had done in the past, the uh, happiness, the rapture arise in his body, and the rapture arise. Then his mind become calm, and after his mind become calm, he use he use t the, the mind which in the calm state to investigate the body, investigate the three characteristics. Characteristic, the impermanence, the dukkha, the suffering, in, uh, the non-self. He investigate all the aspect s dharma, and using this uh, investigation, he realize uh, the nibbana, and uh, he attain the arahantship. And surely enough, he d o n he did not commit suicide after he realize d arahantship. So this story just tell me, tell us that although we all in the along the road of practice, we will meet some difficulties and we will have some um, hindrance from difficulty from the past karma. But as long as we try to uh, do our best to investigate, try to practice, even um, there's a difficulty, we if we are careful. We are, w i l l be diligent. Don't t o l k e about that. Even the r e a l i z e i o of Dharma can be just when you lift your your leg, and before the leg touch the ground, if you are really, really pay attention and really diligent, and don't forget yourself. The realize the realization of Dhamma can be an instant, so short time you can really attain a r a h a n s h i p But if you are careless, you did not really pay attention. Even you practice 100 years, you will attain nothing. Um, so he encouraged us that uh, we should, uh, as a monk, we should. Uh, Uh, uh, accept our difficulties and uh, accept our mistake, and try to correct them, and try to, um, or u b e s t to practice. Sometimes we have to give a heavy hand. Sometimes we should uh, have a light hand. Sometimes we have to really have all our effort. Sometimes we should uh, let us have uh, some uh, time to rest, and by doing so, in uh, intermittently and. We will uh, keep practice, then uh, attain attain the arhanship and attain the the path, and the the, the fruit is uh, if you will eventually uh, be out. Uh, we will eventually uh, uh, follow the path and attain the fruit of arhanship. I think that's the uh, essence about talk tonight.